หนังสือธรรมะก็เป็นเหมือนแผนที่พวกเราเป็นเหมือนผู้เดินทางกําลังหาบ้านหาทางกลับบ้านไม่เจอต้องอาศัยธรรมะบอกทางเราหลงทางมันอยู่แล้วนี้เราทะเลทลายกันไม่ยอมกลับบ้านที่อยู่สบายสบายไม่ยอมอยู่ชอบไปทะเลทะลายตาม ตามแหล่งนั้นแหล่งท่องเที่ยวเรวก็ร้องห่มร้องไห้กันะบ้านที่อยู่สบายปลอดภัยไม่ไปกอหาทางไม่เจอเดี๋ยวนี้พวกเราโชคดีชาตินี้เกิดมามาเจอแผนที่มาเจอคนบอกทาง บอกทางกลับบ้านแต่แมา้มีคนบอกบางทีก็ไม่สนใจยังไม่อยากกลับอยากเที่ยวต่ออยากท่องเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่ท่องเที่ยวในไต่พบเรากาลังท่องเที่ยวกันท่องเที่ยวไปในที่ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างทั้งทั้งที่อยากจะไปแต่ที่ดี แต่มันหลงทางเหมือนขับรถเนะี่ยมันอยากจะไปทางนี้แต่มันก็หลงไปไปแล้วก็ไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเพราะไม่มีแผนที่บอกทางถ้ามีแผนที่บอกทางเยมันจะพาเราไปสู่ที่ปลอดภัยที่สุขที่ชอบที่ดีที่งามที่มีแต่ความสุข ที่ไม่มีความทุกข์ถ้าเราอ่านหนังสือธรรมะล้ว เ, เราเดินตามหนังสือธรรมะเราจะไม่มีวันร้องไห้ต่อไปน้ําตาเราจะเหือดแห้งไปจากจากชีวิตของเราน้ําตาจะไม่มีวันไหลแต่วันนี้น้ําตาอย่งางเรายังยงไหลยอยู่เพราะว่าเราไม่ดูแผนที่กันะ หนังสือธรรมะเอาไปเนี่บางทีก็ไม่ค่อยได้อ่านกันะครับเอาไปเอาไปบูชากันเอาไปตั้งไว้บนหิ้งแล้วก็กราบบูชาคิดว่านี่คือการบูชาธรรมของพระพุทธเจ้าการบูชาธรรมก็ต้องปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาถึงจะเรียกว่าบูชาธรรมแต่ส่วนใหญ่เราไปคิดว่าบูชาธรรมด้วยการเอาหนังสือไว้บนหิ้ง ไว้ที่สูงๆแล้วก็กราบเอาไว้ในห้องพระ เ, เวลากราบพระจะได้กราบพระธรรมกราบหนังสือด้วย <c oughs> แต่ว่าได้บูชาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่ง <c oughs> บูชาจะปูชนิยานังเอตัมมังกัลมุตตัง <c oughs> การบูชาสิ่งที่สมควรแก่การบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่งเราก็เลยบูชาพระพุทธรธรรมพระสงฆ์แต่บูชาแบบไม่ถูกที่บูชาแบบอมิตรบูชาเรียกว่าบูชาด้วยการกราบไหว้ด้วยดอกไม้ธูปเทียนเจอ พ, พระก็กราบเอาดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาแล้วก็คิดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้ยังไม่เป็นมงคล ก็เป็นเพียงกิรเยายัางไม่ได้มีการกระทำที่เข้าไปสู่ใจการกระทำที่จะเป็นบูชาที่แท้จริงต้องปฏิบัติบูชาปฏิบัติดปีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีก็เหมือนเด็กดีเด็กดีเป็นยังไงเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อฟังพ่อแม่ เชื่อฟังคาารูคบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกให้ทําอะไรก็ทําอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัตดิดีปฏิบัติไม่ดีก็คือดื้อไม่ทําครูบาอาจารย์บอกให้ทำอย่างนั้นทําอย่างนี้ก็ไม่ยอมทำํำถ้าอยากจะปฏิบัติดีก็ต้องปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สอนบอกให้ทําปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติถูกต้องตามที่ครูบาอาจารย์บอก อางทีปฏิบัติตามแต่ไม่ถูกบอกให้เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาเนปฏิบัติอยู่แต่ไม่ได้ปฏิบัติชอบบอกให้เลิกเลิกกระบายยมุกยังก็ไม่เลิกอย่างเงี้ยบอกให้เลิกดื่มสุราเลิกเล่นการพนันเลิกเที่ยวกลางคืนเลิกเลิกเที่ยวดูของเล่นต่างๆเลิกทําบาป เอาฆ่าสัตว์รักทรัพประพฤติผิดประเวณีพูดปดแต่เราก็ไม่เลิกถ้าไม่เลิกก็เหมือนกับไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ได้ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติชอบถ้าไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลที่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นมาผลที่เราต้องการพวกเราทุกคนต้องการความสุขทั้งนั้นไม่มีใครปฏิเสธ อยากได้ความสุขปฏิเสธความทุกข์ไม่มีใครต้องการความทุกข์แต่ทำไมต้องมาเจอความทุกข์กันเรื่อยๆก็เพราะเราไม่ฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราท่านบอกว่าอย่าไปทางนี้ไปทางนี้แล้วจะทุกข์ก็ยังไปกันอยู่าตลอดอย่าไปหาลาบยศสรรเสริญอย่าไปหาลูกเสียงกลิ่นรส โหดถะพะเราก็ไม่เชื่อเราก็ไปกันไปแล้วเดี๋ยวก็ต้อ ง, อ ง, องอร้องโหม่ร้องไห้พอลูบเสียงกินลดโหดถะพะมันเป็นเหมือนงูพิษเดี๋ยวันพอเราเผอมันก็กัดเรากัดเราเราก็เจ็บแล้วพอร้องไห้นาบยศสรนเสริญเดี๋ยวมันก็กัดเราวิธีกัดของลาบยศสรนเสริญของลูบเสียงกินรถพหดถะพะมันกัดยังไง ก็มันเสื่อมเวลาลาบเสื่อมเลยทุกข์หรทุกข์เวลาเงินหมดนียถูกเขาหลอกเนีถูกเขาขโมยเงินไปเอ๊ะใช้หมดใช้แบบฟุ่มเฟือยใช้แบบไม่มีเหตุมีผลใช้ตามความอยากพอเงินหมดทําไงเสื่อมลาบเสื่อมเสื่อมก็ทุกข์โดนกัดนะโดนลาบกันแล้ว ยศก็เหมือนกันยศก็ตำแหน่งต่างๆเขาตั้งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไปสมัครเลือกตั้งได้เป็นเทศนายกเทศบาลได้เป็นสมาชิกเทศบาลได้เป็ น, นได้เป็นนายกอบอตอแล้วเดี๋ยวพอหมดวาระมันก็เสื่อมเสื่อม่็กลับมาเป็นคนธรรมดาพอเสื่อมก็ทุกข์เนี่ย ลาบเสื่อมก็ทุกยศเสื่อมก็ทุกสรรเสริญเสริมก็ทุกคนที่เดยสรรเสริญเราพอเขาไม่สรรเสริญเราเราก็ทุกเมื่อก่อนเจอทีไรก็บอกว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอเขาไม่ชมก็ไม่สรรเสริญเราเราก็เสียใจรูปเสียงกินนัดก็เหมือนกัน ถ้าเราได้ดูรูปเราก็มีความสุขรูปที่เราชอบแต่พอรูปที่เราชอบหายไปเราก็ทุกข์เราถูกกัดเพราะเราไปคิดว่ามัน เ, เป็นของที่ไม่มีโทษแต่มันเป็นโทษมันเป็นเหมือนงูพิษล้วไม่ใช่เป็นปลาไหลปลาไหลมันไม่กัดเรา ปาลาไหลมันกับงูมันดูก็คล้ายๆกันถ้าเราไม่ไม่เคยเห็นงูไม่เคยเห็นปาลาไหลมาก่อนเราจะไม่รู้ว่าปาลาไหลกับงูนี่มีความแตกต่างกันปาลาไหลไม่มีพิษกัดเราแล้วไม่เจ็บะ แ, แต่งูเห่านี่พอมันกัดเราแล้วมันเจ็บนี่แหละคือเรื่องของการมีธรรมะเป็นผู้สั่งผู้สอนผู้บอกทาง ถ้าเรามีธรรมะแล้วเราก็จะรู้สิ่งต่างๆรู้วิธีที่เราควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องการที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้รู้รู้ธรรมเจ็ดประการด้วยกันธรรมะที่เราควรรู้เจ็ดข้อ ถ้าเรารู้ธรรมะเจข้อนี้แล้วเราจะสามารถพาชีวิตเราให้ไปสู่ที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ข้อที่หนึ่งให้เรารู้เหตุข้อที่สองให้เรารู้ผลข้อที่สให้เรารู้ตนรู้ตัวเราเอว่ารู้ตนข้อที่สี่ให้รู้บุคคลให้รู้จากคนอื่น ข้อที่ห้าให้รู้จักสังคมข้อที่หให้รู้จักประมาณข้อที่เจดให้รู้จักกาลเทศะนี่คือทำเจข้อที่เราควรจะรู้ศึกษาให้เข้าใจว่าเป็นอย่างไรและปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องถึงจะไม่เกิดโทษจะเกิดแต่คุณเกิดแต่ประโยชน์เกิดแต่ความสุขอะไรเคยเหตุ เหตุก็คือเหตุก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาผลคืออะไรผลก็คือสิ่งที่เกิดจากเหตุพวกเราทุกคนต้องการผลทั้งนั้นเช่นผลไม้เราก็ต้องการไปตลาดเราก็ไปซื้อผลไม้กันไปซื้อข้าวข้าวก็เป็นผลนี่ผลไม้กับข้าวนี่มันมาได้อย่างไรมันมีเหตุ การที่จะไม้ให้มีมีมีผ ล, ลไม้มีข้าวก็ต้องมีการปลูกปลูกข้าวปลูกต้นผ ล, ลไม้ถึงจะมีผลขึ้นมาได้อันนี้ยกตัวอย่างของเหตุและผลแต่เหตุและผลที่เราต้องการมากมากแลนะตลอดเวลาก็คือความสุขใจนี่คือผลที่เราต้องการ เราต้องการเร า, เราอยากมีความสุขใจตลอดเวลา uh huh. เวลาเราไม่สบายใจนี่เรารู้สึกยังไงไม่ดีเลย uh huh. กินไม่ได้นอนไม่หลับ uh huh. แต่เวลาเราสุขใจนี่นอนหลับสบาย uh huh. แล้วทำไมเราถึงมีทั้งมีทั้งความสุขใจและมีทั้งไม่มีความความไม่สุขใจมีความไม่สบายใจ uh huh. ก็เพราะเรามีเหตุที่ทำให้มันสุขใจ uh huh. เรา มีเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจถ้าเรารู้เหตุว่าเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจเป็นอย่างไรถ้าเรามังนับเหตุนั้นความไม่สบายใจก็หายไปถ้าเรารู้ว่าเหตุที่ทำให้เราสบายใจนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าเราอยากจะให้มันสบายใจเราก็ทำเหตุนั้นขึ้นมาเหมือนกับที่เราถ้าเราต้องการผลละไม่ถ้าเราต้องการผล ผลไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้ถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ต้องไปซื้อตามตลาดถ้าเรามีสตางค์เราก็ไปซื้อผลไม้ที่เขาขายในตลาดได้เหตุก็คือมีสตางค์ไปซื้อผลไม้ถ้าไม่มีสตางค์ก็ต้องมีที่ปลูกต้นไม้ถ้าปลูกต้นไม้แล้วต่อไปเดี๋ยวมันก็มีต้นมีผลไม้ออกมาให้เอา เหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจกับเหตุที่ทำให้เราสุขใจก็มีพระพุทธเจ้าบอกเหตุที่ทำให้เราสบายใจก็คือการทำความดีทั้งหลายเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจก็คือการทำบาปทั้งทั้งหลายคือให้เรารู้เหตุเนี่ถ้าเราอยากจะสบายใจทำทความดีไปความดีก็คือการกระทำที่ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น เช่นเรามาทำบุญวันนี้เรียกว่าทำดีเพราะอะไรเราทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นใครคือผู้อื่นก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าที่พักปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดนี้เราเอาสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาให้พระสงฆ์องค์เจ้าได้ใช้เพื่อบรรเทาความขาดแคนความทุกข์ความขาดัดความทุกข์ลำบากต่างๆ พอเราทำแล้วเราใจเราสบายไหมหรือใจเราไม่สบายทำความดีแล้วใจเราจะสบายในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปทำความไม่ดีเราจะรู้สึกอย่างไรความไม่ดีไปางานก็คือไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเวลาเราไปทำร้ายผู้อื่นแล้วเราสบายใจไหเวลาเราไปรักทรัพย์ของผู้อื่น ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใจเราจะไม่สบายนี่คือเหตุที่ทำให้ใจเราไม่สบายคือการกระทำบาปการกระทำที่เป็นโทษกับผู้อื่นนะการกระทำที่ทำให้เราไม่สบายใจที่ละเอียดที่เราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ก็คือการเวลาที่เราโลภเวลาที่เราโกรธเวลาที่เราหลงนี่เราก็ไม่สบายใจ เราอาจจะไม่ได้ไปทำบาปแต่เราโลภอยากได้อะไรขึ้นมานี้ใจเราก็ไม่สบายอยู่ไม่เป็นสุขอยากจะได้ของก็ต้องไปหาของนั้นมาถ้ายังไม่ได้ใจก็ยังไม่สบายจะสบายก็ต่อเมื่อได้ของนั้นมาแต่เรากลับไปเห็นว่าการโลภเป็นการทำให้เราสบายใจเพราะว่าเราอยากได้อะไร พอเราได้แล้วเราจะสบายใจแต่เรามองข้ามไปว่าก่อนที่เราจะได้เนี่ยมันสบายใจไหมกินไม่ได้อยากจะมีแฟนเนี่ยก่าจะได้ขอเ้าแต่งงานเนี่ยมันสบายใจนหใช่นอนไม่ไมไงงมนะไหลับเป็นหลายวันเลยกระสรับกระส่ายกังวลว่าไปสู่ขอเขาเขาจะเอาลบเขาจะตอนนั้นน่ะมันไม่สบายใจละแต่พอเ้าตอบตกลงเอ้า ยอนตรงยแต่งงานด้วยโอย้เราก็ดีใจมีความสุขใจเราก็เลยหลงไปคิดว่าการทำตามความโลภแล้วจะทำให้เรามีความสุขเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้านี่อยากจะได้ขึ้นมาเวลาอยากนี่มันยังไม่ได้ในใจรู้สึกไงลำคาญไหมคิดถึงไอ้กระเป๋าคิดถึงไอ้รองเท้าที่เราเห็นอย่า น, น้จกักราเราจะได้มันมาเนี่ยพอได้มันมาแล้วดีใจ ได้กระเป๋ามาโอ้โหดีใจได้นองเท้ามาดีใจแต่เรามองไม่เห็นตอนที่เราอยากเรายัางไม่ได้หรืออยากเราไม่ได้นี่มันก็จะเสียใจแต่ถ้าเราไม่โลภเราจะไม่เสียใจอย่างตอนนี้เราไม่โลภอยากได้แล้วเรานั่งอยู่ตรงนี้ได้สบายแต่ถ้าเกิดเราอยากลุกขึ้นมานี่ถ้าไม่ได้ลุกก็ไม่สบายใจล่ะนี่คือความโลภความอยาก ที่เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เราทำสร้างเหตุสามประการด้วยกันเหตุข้อที่หนึ่งก็คือทำความดีทำบุญอย่างี้จะทำให้เราสบายใจเหตุข้อที่สองให้เราละเว้นการกระทำบาปการกระทำไม่ดีทั้งปวงเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหก หอกลวงดื่มสุรายามาเล่นการพนังเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกลียดค้านการกระทําเหล่านี้ไม่ดีนะคนเกลียดค้านเจริญได้ไหมไม่ไปโรงเรียนไม่เรียนหนังสือทะเลทลายหนีโรงเรียนเรียนไม่จบแล้วจะไปทําอากีจได้เงินเดือนเท่ทาไหร่ก็ได้แค่แค่ค่าเงินเดือนขั้นต่ําวันละสามร้อย ถ้าไม่มีถ้าไม่ไปเรียนหนังสือถลา่ ถ, า ล, ถาลายหนีเที่ยวกันไปโรงเรียนแล้วก็หนีเที่ยวกันเรียนไม่จบต้องออกจากโรงเรียนพอถึงเวลาต้องทํามากินเลี้ยงตัวเองพ่อแม่ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงต่อตลอดไปก็ได้แค่ ง, งานขั้นแรงงานขั้นต่ําได้เดือนละสามร้อแต่ถ้าขยาันเรียนหนังสือมันไปโรงเรียนเดี๋ยวก็จบป ร, ริญญาเอก เอปริญญาเอกนี่มีบริษัทเขายินดีจ้างทันทีมีบริษัทมีมหาวิทยาลัยต้องการด็อกเตอร์กันเต็มไปหมดเงินเดือนก็ดีไม่ต้องออกแรงด้วยใช้สมองใช้ความคิดเพรา ะ, ะไม่เพราะไม่มีความเกียจคร้คานมีความขยันเหมือนเพียรอบายยมุกนี่มันมีแต่จะดูดทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้หมดไป ดื่มสุรามันก็จะเอาเงินของเราไปเอาสุขภาพของเราไปเอาเวลาที่เราจะไปทำมาหากินไปคนที่ติดสุรานี่จะไม่สามารถทำงานได้เพราะจะเมาตลอดเวลาติดสุราแล้วจะตายก่อนวัยที่ควรตับตายไส้พุงมันจะพังเพราะพิษของสุรายาเมา เล่นการพนันก็จะหมดเนื้อหมดตัวเพราะถ้าเล่นการพนันแล้วมันติดแล้วมันจะเล่นไปเรื่อยๆถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดเ<ม>งินหมดก็ขายบ้านขายที่ขายหมดดีไม่ดีก็ขายตัวไปกู้หนี้ยืมสินเก่าแล้วใช้เขาไม่ได้เดี๋ยวเขาก็มาตามค่านี่คือการกระทําที่จะทําให้เราไม่สบายใจ ยังให้ละาเว้นการกระทำบาปทั้งปวงบาปและอบายามุกแล้วก็ให้มาตัดความโลภความอยากความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจเพราะความโลภโกรธหลงความอยากนี่ทำให้เราไม่สบายใจความหลงที่ไปคิดว่าการทำ คืออะไรก็คือคิดว่าการทําตามความอยากทําตามความโลภแล้วจะทำให้เราสบายใจแต่ก่อนจะสบายใจมันไม่สบายใจก่อนแล้วพอเวลาโลภเวลาอยากได้นี้เราไม่สบายใจแล้วแล้วเวลาเราได้มาแล้วเราก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวสิ่งที่เราได้มามันก็ความดีใจก็หายไปแล้วแล้วก็เกิดความโลภความอยากได้ของใหม่ขึ้นใหม่านี่คือความหลง ที่มองไม่เห็นว่าการทำตามความโลภทาตามความอยากไม่ได้เป็นการให้เราสบายใจจะทำให้เราไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆเพราะเราจะต้องดิ้นลนหามันอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอความโลภความอยากมันจะต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างที่โบราณเขาพูดว่าได้คืบแล้วก็อยากได้สอบได้สอบก็อยากได้วา ตอนต้นเราตอนเด็กๆเราได้ร้อยบาทเราก็ดีใจพอโตขึ้นมาหน่อยร้อยบาทไม่พอแล้ะต้องพันบาทพอโตขึ้นมาอีกหน่อยพันบาทก็ไม่พอแล้ะต้องหมื่นบาทแล้ะเดีย๋ยวนี้ต้องการเท่าไหาร่ถึงจะพอแสนนึ่งพอไหมไม่พอล้านหนึ่งพอไม้มไม่แน่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใอ่ไหมออขอให้เราเข้าใจว่า อย่าไปหลงคิดว่าการที่เราทำตามความโลภทำตามความอยากเราจะทำให้เราสบายใจเราจะไม่มีวันสบายใจเพราะความโลภความอยากมันไม่มีวันหมดมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปไเรื่อยวิธีที่จะทำให้เราสบายใจคืออะเราต้องไม่โลภไม่อยากเช่นถ้าเราไม่อยากได้อะไรเราจะไปตื่นเต้นนหะวุ่นวายใจไหมได้ก็ ไม่ถ้าไม่อยากได้ ไ, ได้ก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าอยากได้แล้วไม่ได้นี่เดือดร้อนทำให้เราไม่สบายใจย ci, ถ้าเราอยากจะกำจัดความไม่สบายใจให้หมดสิ้นสร้างไปเราต้องมากำจัดที่ความโลภโกรธหลงนี่ความอยากนี่เวลาเราโลภแล้วเราไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็โกรธใชนะ่ไหอบานที่อยากให้เขาทำอะไรให้เราแล้วก็ไม่ทำให้เราเนี่เราก็โกรธเขาแล้ว แต่ถ้าเราไม่ไปอยากให้ก็ทําอะไรให้เราเนี่ยเราจะไปโกรธเขาไหมไม่โกรธความโลภความโกรธเกิดจากความโลภความโลภเกิดจากความหลงหลงคิดว่าโลภแล้วจะทําให้เราได้สิ่งที่เราจะทําให้เรามีความสุขแต่ไม่เป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็ดีใจไปวันสองวันเดี๋ยวก็เห็นของใหม่ก็อยากได้ขึ้นใหมะ รถขับมาได้ไม่กี่วันมีรุ่นใหม่ออกมาอยากได้ละโทรศัพท์ใช้ไปไม่กี่เดือนมีรุ่นใหม่ออกมากละ น, นี่มันจะทำให้เราต้องดิ้นนนลนหาความสบายใจการดิ้นนนนี้ก็เป็นความไม่สบายใจละถ้าอยากจะสบายใจจริงต้องไม่ดินน้นนนต้องไม่อยากต้องอยู่เฉยๆให้ได้นี่คือการรู้เหตุรู้ผล ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจก็คือความโลภความโกรธความหลงาการกระทำบาปเราต้องชำระมันชำระบาปชาระความโลภโกรธหลงชาระความอยากต่างๆแล้วเราจะมีความสบายใจความสบายใจวิธีหนึ่งก็คือการทำประโยชน์ให้กับผู้ช่วยเหลือผู้อื่นมีอะไรให้เขาแบ่งให้เขามีความสุขมีประโยชน์ อะไรที่เราเหนือเฟืองไม่จำเป็นจะต้องมีเก็บไว้ให้เขาดีกว่าเก็บไว้แล้วเราไม่ร ม, มีความรู้สึกอะไรมีเงินอยู่ในธนาคารมันมีความหมายอะไรมันแค่เป็นตัวเลขถ้าเราไม่ใช้มันตายไปเราก็ไม่ได้ใช้มันอยู่ดีตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาทำบุญนี่เรามีความสุขทันทีพวลาเราทำบุญนี้ใจเรามีความสุข แล้บุญนี้เราเอาติดตัวไปกับเราได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจที่กลายเป็นดวงวิญญาณไป<ม>เวลาออกจากใจออกจากร่างกายแล้วก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณจะไปดีไม่ดีก็อยู่ที่บุญหรือบาปบาป<ม><ม>นี้นอกจากทำให้เราไม่สบายใจในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วตายไปยังต้องให้เราไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์อีก ใจเรานี่เป็นกายทิพย์เวลาไม่มีร่างกายใจเราก็ต้องไปอยู่ที่โลกทิพย์พอไปอยู่ที่โลกทิพย์ถ้าทำบาปก็ถูกกฎแห่งกรรมจับไปขังในตลางของโลกทิพย์อีกเนี่ยไปอยู่มีสี่แดนด้วยกันในตลางนี้แดนของเดรัจฉานของเปกตของอสูรกายของนรกมีอยู่สี่แดนถ้าทำบาปไม่ทาบาป ขณะมีชีวิตยอยู่ก็ทุกข์แล้วไม่สบายใจตายไปยังต้องไปติดคุกอีกถ้าไม่ทำบาปตายไปไม่ต้องไปติดคุกตายไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยถ้าไม่ได้ทำบุญถ้าได้ทำบุญก็ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนแล้วพอเที่ยวเสร็จบุญหมดก็ค่อยกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าเราตัดความอยากได้หมดตัดความโลภความโกรธความหลงได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเลย เาการกลับมาเกิดมันก็ต้องกลับมาทุกข์แบบที่เราทุกกันอยู่นี่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายถึงแม้จะได้เกิดแต่มนุษย์ก็ยังต้องมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าไม่เกิดเลยจะดีกว่าจะได้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือผลที่เกิดจากการทําตามเหตุ ท, ที่พระเจ้าสอนให้เราทำสามประการทำบุญละบาปชําระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ แล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์นี่คือรูสองข้อแรกที่เป็นสองข้อที่สำคัญมากที่สุดแต่เราก็ต้องรู้อีสี่อีห้าข้อนะเพราะมันความรู้ที่เราต้องใช้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่รู้ตนเราต้องรู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นนะเราเป็นอะไรเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเดรัจฉานมนุษย์ทาตัวอย่างไร เดรัจฉานทําตัวอย่างไรเดรัจฉานก็ไม่มีศีลใช่ไหมเก็ไม่ต้องรักษาศีลเขาอยากจะกัดกินของอะไรเขาก็กัดกินเขาไม่ขออนุญาตใครเขาไม่สนใจว่ามีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของเวลาเขาอยากจะเสพกางเขาก็ไม่สนใจว่าจะต้องเป็นภรรยาเขาหรือไม่อเขาเจอตัวไหนเขาอยากจะเสพกางเขาเสพได้เขาก็เสพเลยมีเพศสัมพันธ์เลย มนุษย์บางคนก็ทาตัวเหมือนเดราจานไยเดินกันไปกอดกันอยู่ในที่สาธารณะเงี้ยไม่รู้เป็นสามีเป็นภรรยากันหรือเปล่าบางทีก็ควงกันออกมาจากบาร์จากผับอย่เงี้ยเป็นดีไม่ดีก็ไปทำอนาจาร์ตามที่สาธารณะก็มีนันะเป็นพวกที่ไม่รู้จักตนไม่รู้จักว่าตนเป็นมนุษย์หรือเป็นเดราจานทาตัวเยี่ยงเดราจฉานก็เป็นเดราจาน นี่ก็คือการไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตนตัวอย่างตอนนี้มีหลายหลา ย, หลายสถานภาพเราเนี่ยแต่ละคนมีหลายสถานภาพเป็นหญิงเป็นชายเป็นหญิงก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งใช่แต่งกายต้องกายแต่งแบบหญิงถ้าผู้หญิงมาแต่งแบบผู้ชายมันก็แปลกใช่ผู้ชายไปแต่งแบบผู้หญิงมันก็แปลกแล้วมีคนเขาจะ มีความมั่นใจเชื่อถือเราหรื่าถ้าเมื่อเราไปนคนแปลกไงใช่ไหมแล้วเราจะมีความสุขความเจริญได้ไหมถ้าเราทําตัวแปลกๆไม่ได้อ่าอย่างนี้ก็ต้องรู้ว่าเราเป็นหญิงหรือเป็นชายเราก็ต้องรู้ว่าวิธีปฏิบัติของชายหญิงก็ทําอย่างไรนอกจากนั้นยังต้องรู้ว่าเราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนักเรียนหรือเป็นอาจารย์เนี มันในแต่ละฐานะนี่มันมีหน้าที่ของมันโดยเฉพาะเป็นเด็กก็กต้องเคารวะผู้ใหญ่เชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องให้ความเมตตาต่อเด็กนี่ก็คือการรู้ตนเป็นพระหรือเป็นโยมนี่ก็ไม่เหมือนกันละเ า, าเป็นพระก็ต้องทำตัวอีกแบบหนึ่งละแต่คนที่มาบวชเป็นพระบางทีก็ทำไม่ทา ไ, ไม่ถูก เกี่ยการเป็นพระก็ต้องทำตัวนุ่มเรียบน้อยแต่ความจริงการเป็นพระจริงๆนี้ก็คือการมีศีลแต่บางคนคิดว่าเป็นพระแล้วก็ให้เรียบร้อยต่อหน้าโยมพอรับหลังโยมก็เป็นลิงต่อมันต้องเป็นตลอดเวลานี่คือเรื่องของรู้จักตนรู้จักฐานะสถานภาพของเรา เวล า, เาสมัครงานก็มีช่องให้ถามว่าเป็นหญิงเป็นชายนะจบเรียนจบเท่าไหร่ชั้นไหนมีวุฒิภาวะขนาดไหนนี่อันนี้ก็คือเรื่องรู้จักฐานะของตนแล้วก็ต้องปฏิบัติตอนให้เหมาะสมกับฐานะของตนข้อที่สีกคค่ก็ให้รู้จักบุคคลคือรู้จักคนอื่นคนอื่นเขาก็มีฐานะต่างกันบางคนคนที่เป็นพ่อแม่เราเขาก็มีฐานะอย่าง คนที่เป็นเพื่อนเราเขาก็มีฐานะอีกอย่างคนที่เป็นลูกน้องเราทํางานใต้บังคับบัญชาเราวิธีปฏิบัติต่อบุคคลนะั้นไม่เหมือนกันเราจะมาปฏิบัติทุกคนเหมือนกันหมดไม่ได้ <Yeah. S 1> คนที่มีพระคุณคนที่มีมีมีความสูงกว่าเราเราก็ต้องให้ความเคารพนับถือ <Yeah. S 1> มีความสูงต่ำสังคมเรานี้แบ่งแบ่งชั้นวรรณะกันนะแบ่งฐานะกัน มีสูงมีต่ำมีเท่ากันถ้าเราปฏิบัติต่อบุคคลไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เราต้องเราต้องศึกษาบุคคลที่เราอย่างโยมมาหาพระนี้โยมจะต้องทําตัวอย่างลเลยเวลาโยมไปหาโยมในการนี้ก็ทําตัวอีกอย่างการปฏิบัติต่อบุคคลนี้มันไม่เหมือนกันแต่ฝรั่งที่เขามาไม่รู้เนี่ยคนต่างชาติบางที่มาเขาไม่รู้ เขาก็นั่งยืดเท้าต่อหน้าพระมานี่เพรหลังคนคุยกันก็ยืดนั่งยืดเท้าใส่เขาไม่รู้จักบุคคลก็ไม่ว่าเขาเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนเด็กไร้เดียงสาเพราะเขาเขาพิ่งมาจากต่างประเทศเขายังไม่ได้มาศึกษาวัฒนธรรมวิธีปฏิบัติต่อบุคคลของประเทศไทยเราปฏิบัติกันอย่างไรมันก็เลยทาให้ตัวเองดูน่าเกลียดไป ใครเห็นก็รู้ว่าปฏิบัติตัวเองไม่ถูกต้องไม่สวยงามเราก็ต้องศึกษาต้องเราต้องรู้บุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยเวลาเราพบปะคนเราต้องรู้ว่าคนนี้สูงกว่าเราต่ำกว่าเราหรือเท่าเราเราต้องปฏิบัติเกี่ยวับเขาอย่างไรต้องไหว้เขาก่อนหรือเขาวาห้เราก่อนอย่างนี้เป็ตนต้นนี่คือเรื่องของการรู้จักบุคคลข้อที่ห้า รู้จักสังคมสังคมก็คือกฎหมายระเบียบประเพณีต่างๆของสังคมแต่ละสังคมเขาก็มีวิธีมีปฏิบัติที่เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างอย่างคนไทยเราเจอกันก็ไหว้กันญี่ปุ่นเขาเจอกันเขาก้มหัวกันก้มหัวกันฝรังเจอกันต้องจับมือกัน พราะหลังทีผู้หญิงมันจะขอจับมือพระอ่างนี้พระเขาจะทำไงพระบอกโนโนโน้แกนอดดูเขาก็ไม่เข้าใจอย่างเมื่อวานนี้มีสา ม, มเณรอิตาลีมาคนหนึ่งถามว่าทำไมเป็นพระจับจั บ, จ, บจับจับมือผู้หญิงไม่ได้ขณามาบวชเดนยังไม่เข้าใจเพราะเพิ่งบวชได้ไม่กี่วันบวชเจ็ดวันจะเสร็จแล้วยังไม่รู้เลยบวช บวดบวชแล้วยังไม่รู้เลยว่าทําไมจับผู้หญิงจะต้องตัวผู้หญิงไม่ได้ต้องมาถามาวมื่อวานอุตสาหมาจากกรุงเทพนั่งรถมาถามเพราะไม่รู้จักกฎระเบียบประเพณีของสังคมอันนี้ถ้าเราทําไม่ถูกประเพณีเดี๋ยวเราก็ถูกเขาขับไล่ออกจากสังคมพวกที่ถูกไปจับขังในคุคกนัเนี่ยก็ปฏิบัติผิดกฎหมายผิดประเพณีของสังคม ไปขโมยไปช่อโกงไปลักทรัพย์เนะี่ยนไถ้าไม่เจ้าเข้าคุกก็ต้องหนีออกไปอยู่ประเทศอื่นประเทศนี้เขาไม่ให้อยู่ถ้าจะอยู่ประเทศนี้ก็ต้องไปอยู่ในคุกก่อนต้องไปใช้โทษก่อนถึงจะออกมาอยู่ตามปกติได้เพราะไม่ปฟิตตามประเพณีกฎหมายของบ้านเมืองที่เราอยู่ที่กฎหมายระเบียบที่มันก็มี อยู่ในแต่ละสังคมสังคมเล็กๆน้อยๆก็มีอย่างในบ้านเราก็มีระเบียบพ่อแม่เขาก็ต้องเป็นคนตั้งกฎตั้งระเบียบขึ้นมาถ้าเราอยู่อาศัยเราก็ต้องเคารพกฎระเบียบของพ่อแม่เช่นพ่อแม่บอกไม่ให้เอาผู้หญิงผู้ชายมานอนที่บ้านนะเราก็เอามาไม่ได้ถ้าเอามาเดี๋ยวก็บ้านแตกสลายข่ดถ้าพ่อแม่บอกห้ามดื่มเหล้าในบ้านนี้เราก็ต้องไม่ดื่มถ้าเราดื่มเดี๋ยวก็ทําให้เกิดเรื่องขึ้นมา เพราะเราไม่รู้จักกฎไม่รู้จักระเบียบของสังคม oui. ที่เราอยู่ด้วยที่โรงเรียนเขาก็มีกฎมีระเบียบถ้าโรงเรียนแล้วก็ห้ามออกจนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียนเวลาพักกลางวันก็ไม่ให้ออกมากินอาหารข้างนอกให้กินในโรงเรียนนี่แต่ถ้าเราอยากจะมากินข้างนอกเราก็ต้องหนีออกมาอย่างนี้ก็ทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียนถ้าโรงเรียนก็จับได้เขาก็อาจจะต้องให้เราออกจากโรงเรียนไปไม่ให้เรียนก็ได้เพราะทําให้เสียระเบียบของเขา แล้วกมีความรับผิดชอบในตัวนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนออกมาแล้วเกิดไปมีอุบัติเหตุขึ้นมาเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะมามาเอาเรื่องทางโรงเรียนทางโรงเรียนก็เลยต้องมีกฎระเบียบไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนอั น, นนี้ก็คือการเรื่องรู้สังคมเราไปอยู่ในสังคมแต่ละสังคมเราต้องศึกษาประเพณีของสังคมนั้นว่าเขาประพฤติเขาปฏิบัติกันอย่างไร แล้วเราก็ปฏิบัติตามอย่างที่นี่ก็มีประเพณีอยเวลานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเราไม่คุยกันเราไม่ทําอะไรกันบางคนก็เปิดโทรศัพท์มือถือคุยกันอย่างนี้ก็ผิดประเพณีแล้ะเพราะมันจะทําให้รบกวนเสียงพูดเสียงคุยของเราเพราะคนอื่นเขาจะตั้งใจฟังก็ฟังไม่ได้สมาธิเพราะมีเสียงคนอื่นมารบกวนะแล้วคนเดินพลุกพลานเดินไปเดินมา ทำนั่นทำนี่การฟังธรรมมันก็จะทำไปทาไม่ได้สะดวกที่นี่ก็มีมีสังคมเป็นสังคมอย่างหนึ่งมีกฎระเบียบอย่างนึ่งเวลามาที่นี่ทุกคนต้องกายวาจาใจสงบตั้งใจฟังอย่างเดียวเราจะได้รับประโยชน์เพราะมาที่นี่เพื่อมามาถ่ายทอดความรู้การจะถ่ายทอดความรู้ได้นี้ต้องมีความสงบไม่มีอะไรมารบกวนใจ พอเมื่อไรมันก็ควรใจใจมันไปแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ฟังแล้วพอใครไปทำอะไรหน่อยนี้เสียงดําขึ้นปั๊บนี่มันถูกดึงไปแล้วพอดึงไปกำลังพูดอะไรนี้ฟังไม่รู้เรื่องอันนี้ก็มีนี่ก็เป็นสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติตามสังคมได้เราก็จะอยู่กับเขาได้อย่างอย่างสบายอย่างมีความสุขถ้าเราปฏิบัติตามระเบียบของสังคมไม่ได้เขาก็จะต้องขับเราออกจากสังคมไป ย้ายสังคม้ไปอยู่ในสังคมของคุกตารางคุกตารางเขาก็มีสังคมอีกแบบนึน่อันนั้นเขาควบคุมกันด้วยปืนต้องควบคุมกันด้วยการลงโทษไปอยู่ในคุกใตารางถ้าใครดื้อเดี๋ยวก็ถูกลงโทษถูกขังเดียวถูกให้ใ ช, ใช้ให้ไปทำงานทาอะไรลงโทษเพื่อจะได้เข็ดลาบ <c oughs> นี่ก็เคยเรื่องของ รู้สังคมข้อต่อมาก็ให้รู้ประมาณอรู้กาละเทศะก่อนหนึ่น่รู้กาละเทศะก็คือรู้การละสถานที่สถานที่เราไปเวลาที่เราไปแต่ละสถานที่นี้เขามีการปฏิบัติไม่เหมือนกันเช่นเราไปแต่งงานเราก็ต้องรู้จักกาละเทศะไปงานแต่งงานเราต้องทำหน้าตายอย่างไรต้องแต่งเสื้อต่งแต่งแต่แตแตเนื้อแต่งตัวอย่างไร ไม่ใช่ไปแต่งชุดไปงานศพแล้วไปหน้าซึมเศร้าอยู่ที่งานแต่งงานไปงานศพเราก็ไม่ไปแต่งชุดไปงานแต่งงานไม่ไปยิบแย้มแจ่มใสล่าเริงในงานศพนี่ก็คือรู้จักกาลเทศะหรือว่าเขากำลังสังคมที่เรากําลังไปเข้าไปร่วมนั้นเขากําลังทําอะไรอยู่ไ ป, งปรงภาพยนตร์คนขเขาล้วนั่งดูภาพยนตร์อยู่เราไปร้องโวยวายขึ้นมา ไออวุ่นวาขึ้นมาอันนี้ก็แสดงว่าไม่รู้จักกาละเทศะหรือเวลาจะพูดจะคุยก็ต้องดูว่าถึงเวลาที่พูดได้ไหมเช่นตอนนี้กําลังพูดกำลังฟังอยู่ก็ไม่ควรที่จะพูดถ้าอยากจะพูดก็ควรจะส่งสัญญาณมาก่อนเช่นยกมือเช่นเวลาเราเรียนหนังสืออย่างนี้เวลาเราอยากจะถามครูนี่เราไม่ถามออกมาเลยเราต้องดูกาละเทศะดูว่าถึงเวลาที่จะถามได้ไหม พอครูเขาหยุดพูดแล้วก็อาจจะยกมือขึ้นมาะถ้าครูก็เห็นก็จะถามว่ามีอะไรหรือล้วก็พูดได้ไม่ใช่ครูกําลังพูดอะไรก็ถามออกมาเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่รู้จักกาลเทศะะ ม, มันจะทําให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นมาเกิดความรบกวนกันขึ้นมาแล้วจะไม่มีความสุขเพราะจะไม่สามารถทําอะไรให้สําเร็จได้ เวลาประชุมกันต่างคนแต่งแย่งกันพูดเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องนไหวคนนี้ก็อยากจะพูดคนนั้นก็อยากจะพูดอย่างในสภาเนี่ยบางทีประธานสภาบอกห้ามพูดห้ามพูดมันก็ไม่ยอมหยุดนะเนี่ยพวกนี้แสดงว่าไม่ไม่รู้จักกาละเทศะขอพูดอย่างเดียวเขาห้ามแล้วเขาตีค้อนแล้วก็ยังพูดอยู่นั่ น, นะนแสดงว่าไม่มีกาละเทศะแล้วประชุมแล้วไม่มีรสชาติวุ่นวายปั่นป่วนแล้วหาข้อสรุปไม่ได้เนีย ในเวลาเราอยู่ในสังคมอยู่กับคนหมู่มากมันต้องรู้จักกาละเทศะรู้จักการกระทําที่เหมาะสมสมควรแก่เวลานั้นว่าเวลานั้นเราควรจะพูดหรือควรจะไม่พูดควรจะฟังหรือไม่ควรหรอควรจะทําอะไรนนี่ก็คือเรื่องของการรู้จักกาลรระเทศะถ้าเรารู้แล้วเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องเรียกว่าปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบข้อสุดท้ายก็ให้รู้จักประมาณ ารู้จักประมาณก็ให้รู้จักความพอดีมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยสี่ที่เราใช้ดูแลเลี้ยงดูร่างกายอาหารกินมากเกินไปก็เกิดโทษกินน้อยเกินไปก็เกิดโทษต้องเกินให้มันพอดีถ้ากินมากเกินไปก็เกิดน้ำหนักเกินเดี๋ยวก็โรคภัยไข้เจ็บก็มาถ้ากินน้อยเกินไปสูบผอม ขาดสารอาหารก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เหมือนกันก็ต้องรู้จักความพอดีเหมือนใส่รองเท้าเนี่ยรองเท้าก็ต้องขนาดพอดีใช่ไหถ้าใหญ่เกินไปก็หลวมใส่ไม่สบายถ้าเล็กเกินไปใส่ก็คับก็เจ็บเท้าต้องหารองเท้าที่ขนาดพอดีเสื้อผ้าก็เหมือนกันถ้าใช้เสื้อผ้าก็ต้องรู้จักปริมาณความพอดีว่าเราต้องการมีกี่ชุดกันร่างกายเรามีร่างเดียว เราต้องการมีเสื้อผ้าไว้สักกี่ชุดถึงจะพอมีมากเกินไปมันก็จะทําทให้เราเสียเงินเสียทางไปเปล่าประโยชน์ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากขึ้นมาเพราะหน้าที่ของเสื้อผ้าก็มีไว้เพื่อหุ้มห่อร่างกายนี้เท่านั้นเองปกปิดร่างกายป้องกัน ร, ร่างกายนีจะเป็นเสื้อค้าราคาแพงหรือราคาถูกมันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันทําไมต้องไปเสียเงินเยอะๆเพื่อมาทํานะ่ มามามาเอาเสื้อผ้าที่ทำหน้าที่ที่เสื้อผ้าราคาถูกก็ทำได้เหมือนกันเส้นเสื้อตัวละสองร้อยกับเื้อเสื้อตัวละสองพันมันต่างกันยรงไหนมันก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันมันปกปิดร่างกายหุ้มห่อร่างกายปกป้องร่างกายได้เหมือนกันเราต้องรู้จักประมาณว่าเราควรจะใช้แบบไหนอย่าไปหลงกับ นศนิยมของสังคมเสื้อผ้าบางทีมันมาจากโรงงานนันเดียวกันอันหนึ่งมีมีตาอีกอันไม่มีตาเอามีตาก็ราคาแพงพอไม่มีตาก็ขายตามตลาดนั้นก็ราคาถูกแต่มันก็เหมือนกันเอามาเปรียบเทียบมันไม่เหมือนกันเนี่ยเรื่องไรเราต้องไปเสียงเงินมากๆบางทีก็ต้องมีนศนิยมถ้าใส่เสื้อผ้าไม่มีตาแล้ว ร, รู้สึกว่ามันเชยไม่มีหน้าไม่มีตา กระเป๋าถ้าไม่มีไม่มีตาเราใส่แล้วมันรู้สึกว่าไม่มีหน้าม่ีตากระเป๋าก็มีไว้ใช้ใส่ของไม่ใช่เหรอมันไม่จำเป็นมันจะมาเชิดหน้าชูตาเราหรอกกระเป๋าก็มีไว้เพื่อใส่ของให้เรารู้จักประมาณรู้จักเหตุผลของการใช้สิ่งต่างๆว่าเราใช้เพื่ออะไรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้พอดีกับเหตุกับผลที่เราต้องการมัน แล้วชีวิตเราจะสบายไม่ถูกกดดันทุกวันนี้เราถูกกดดันด้วยด้วยด้วยนตสนิยมของสังคมสังคมเขาเป็นคนวัดเราวัดตัวเราว่าเราดีหรือไม่ดีเขาวัดอยู่ที่กระเป๋าที่เราใช้วัดที่รองเท้าที่เราใส่วัดที่รถที่เราขับเนี่ยอันทีนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องวัดคนเครื่องวัดคนอยู่ที่ความประพฤติทางกายทางวาจาว่ามีศีลมีสัตว์หรือเปล่า ว่าทำบาปหรือทำบุญอันนี้แหละคือเครื่องวัดขนไม่ใช่เสื้อผ้าพระถึงไม่จำเป็นจะต้องมีเสื้อผ้าเหมือนญาติโยมพระสมัยพุทธกาลนี่ผ้าทำมาจากผ้าห่อศพผ้าที่ไม่มีใครก็ต้องการนะเพราะเสื้อผ้านไม่ได้เป็นเครื่องวัดตัวพระเครื่องวัดตัวพระก็คือตัวศีลธรรมที่มีอยู่ในใจของพระพระที่มีศีลธรรมมากก็มีคุณค่ามาก พระพุทธเจ้านี่มีคุณค่ามากที่สุดรองลงมาก็พาาระอรหันตสาวกรองลงมาก็พระอานาคามีพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆมีอยู่สี่ขั้นเพราะมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันนี่ก็คือเรื่องของการรู้จักประมาณรู้จักความพอดีอย่ามีมากเกินไปอย่ามีน้อยเกินไป ร่างกายนี้ต้องมีปัจจัยสี่ที่เหมาะสมกับฐานะของแต่ละคนบางคนมีฐานะสูงมีความน่ามั่นเขาก็มีบ้านที่แพงได้คนที่มีฐานะต่ำมา ก, ก็ต้องใช้บ้านที่มีทเหมาะสมกับฐานะของตนอย่าไปดิ้นนนเกินฐานะแล้วมันจะเหนื่อยไปเปล่าๆแล้วมันจะไม่ได้ความสุขอะไรได้ได้เพียงแต่ความ ภูมิใจว่าโอ้ยเรามีบ้านราคาแพงๆอยู่ทั้นั้นเองแต่เวลานอนกับนอนก่ายหน้าผาก็ต้องผ่นต้องคอยส่งเงิ น, นให้ธนาคารซื้อนอนในกระต๊อบดีกว่านอนในกระต๊อบแต่ไม่มีหนี้นอนหลับสบายครอกคลอกคลอกพอหัวถึงหมอนก็หลับเลย น, นี่คือความสุขความทุกข์ที่เราสร้างกันมาด้วยการรู้ทำทั้งเจ็ดประการนี้หรือไม่น ถ้าเรารู้ธรรมทั้งเจ็ประการนี้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตงามตามความเหมาะสมของธรรมเหล่านี้ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขเพียงเดียวชีวิตของเราจะไม่มีความทุกข์เลยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องทั้งหมด ท่านจึงมีแต่ความสุขความสุขของพระนิพพานอานิพพานก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เกิดจากการชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดถ้าอยากจะรู้เหตุที่สำคัญที่สุดก็รู้เหตุวิธีชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลง วิธีที่จะกำจัดความรู้กรดลงให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาศีลก็ต้องศีลระดับของนักบวชอย่างน้อยก็ต้องศีลแปดขึ้นไปศีลห้า น, นี้ไม่พอไม่มีกำลังที่จะชำระสักพอกใจให้สะอาดได้ต้องใช้ศีลแปดเหมือนน้ำมันรถเก้าสิบดกับเก้าสิบห้าถ้าจะใช้รถแข่งต้องใช้เก้าสิบห้า น้ำมันมันตึงจะมีกำลังถ้าเก้าสิบเอ็ดนี้มันไม่พอสู้เขาไม่ไหวฉันใดถ้าอยากจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์รักษาสีลห้านี้ไม่พอยาดโยมถึงต้องมาถือศีลแปดกันในวันพระเพื่อที่จะได้มาชำระใจวันธรรมดาก็ไปทำหน้าที่ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอวันพระวันหยุดก็มาอยู่วัดถือศีลแปดกันเพื่อที่จะได้มา มานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเพราะถ้าไม่มีศีลแปดมันจะไม่มีเวลามานั่งศีลแปลนี้จะเป็นเหมือนรั้วกัน้นไม่ให้เราไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไม่ให้เราไปร่วมหลับนอนกันไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปกินไปดื่มในยามค่าคืนกันให้เอาเวลามานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญากันเพื่อจะได้ชําระความโลภความโกรธความหลง คามอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าทำขั้งแรกก็ทำอาทิตย์วันก่อนทาวันพระต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันสาวันถ้าทำแล้วเกิดผลดีมีความสุขใจมากขึ้นก็อยากจะทำองจากวันหนึ่งก็จะเพิ่มเป็นสองวันสามวันต่อไปก็อยากจะทำทุกวันมีงานอะไรก็จะตัดมันไปให้น้อยลงไปน้อยลงไปเพราะเราจะไม่ไปมีกิจกรรมที่เราจะต้องเสียเงินทอง ถ้าเราถือสินแปลงนี้เราแทบไม่ต้องใช้เงินทองกับกิจกรรมต่างๆเลยมีแต่เสียเงินกับการเลี้ยงปากเลี้ยงทองเั้า น, นี้แต่เงินที่จะไปเที่ยวนี้ไม่ต้องใช้เลยงานที่เงินที่จะไปเลี้ยงกันจะจัดงานเลี้ยงการไปไปท่องเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงนี้ไม่ต้องใช้เลยเราก็ไม่ต้องทํางานมากเราก็จะตัดงานได้เราก็จะมีเวลามาปฏิบัติทําใจให้สงบได้มากขึ้น กำจับความโลภความโกรธความหลงความอยากให้หมดไปได้มากขึ้นต่อไปเราก็จะไปปฏิบัติได้ทุกวันเราก็เป็นนักบวชได้บวชชีก็ได้บวชพระก็ได้การบวชนี่ก็เพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจนี่เพราะความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นตัวที่ทาให้ใจเราไม่สบายข้ามภพข้ามชาติ ตายไปแล้วเราเองก็ไม่สบายใจต่อต้องกลับมาเกิดอีกเกิดมาก็ไม่สบายใจขาดได้ถ้าเรายังกาจัดความโล้ความโกรธความหลงไม่ได้มันก็จะทำให้เราไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆทาให้เราต้องมาเกิดอยู่เรื well ่อยๆถ้าไม่มีความรล้โกรธหลงแล้วก็ไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปเี่าพระพุทธเจ้าไม่เกิดแล้วไม่มีร่างกายแล้วตัวพระพุทธเจ้ายังอยู่เพียงแต่ว่าอยู่ในโลกที่ ไม่ต้องมามีร่างกายเหมือนพวกเราพวกเรายังมีร่างกายยังต้องมาแบกร่างกายนี้อยู่ยังต้องมาคอยเลี้ยงดูร่างกายนี้ยังต้องมาทุกขกับร่างกายนี้แล้วก็ต้องมาทุกขกับสิ่งที่เราได้จากการมีร่างกายพอมีร่างกายแล้วก็ไปมีแฟนมีครอบครัวแล้วก็ต้องมาทุกขกับครอบครัวทุกขกับสามีทุกขกับภรรยาทุกขกับลูกอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องพัดพากจากกันอีกเดี๋ยวก็ต้องตายจากกัน ตาบใดถ้ามีร่างกายแล้วมันจะมีกองทุกข์ตามมาเป็นกระบวนเลยมนุษย์ไฟไม่ใช่มีแต่โหัวลดจากอย่างเดียวจะมีตู้อื่นติดมาติดท้ายยาวมาเลยพอมาเกิดแล้วเดี๋ยวก็มีอะไรตามมาเวลาเกิดใหม่ๆไม่มีอะไรเลย่นะพอโตขึ้นมาเริ่มีนั่นนีนี่พอมีแล้วสุขแล้วทุกข์กับสิ่งที่เรามีสุขก็มีเหมือนกันแต่มันมีทุกข์แถมมาด้วยมันไม่ใช่สุขอย่างเดียว เวลาทุกข์นี้ความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นหายไปหมดเลยอยากจะโยนสิ่งนั้นทิ้งไปเลยบางคนอยากจะหยา ก, กันเลยความสุขที่ได้จากการหายไปเลยเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราชำระความโลภความโกรธหลังความหลงได้ด้วยการปฏิบัติศิ้นสมาธิปัญญาได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนเป็นเหมือนพระสาวกทั้งหลาย ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปเราจะมีแต่ความสบายใจไปตลอดเวลานิพพานังปรมังสุขขังแปลว่าความสบายใจของใจที่สะอาดบริสุทธิ์นิพานคือใจที่สะอาดบริสุทธิ์บรมสุปรมังสุขขังก็คือบรมสุขคือความสุขสบายใจนี่อโอเคนะถ้าจะเหนื่อยลนะในเวลาชั่วโมงหนึ่งพอดี อันนี้ผายเวลาผ่านไปเร็วก็ขอขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้แล้วก็จะอนุโมทนาให้ผ่<ม>อนยะถ า, าวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคะลัมเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานังอุปกาปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังเิปะเมวะสมมิาตาโต สัพเพปเรนตุสังกาปาจันโทปนะระโสยธามณิจติระโสยธาสัพพิติโยวิวาชานตุสัปปโรโควินสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะ อะพิวาทนสีลิธสะัญจังุทธาปจายิโนจตารูธรมมวาทานติอายุวนโนสุขังภาลางใครมีคำถามไหมถามมาเลยเวลานั่งสมาธิเนี่ยครับเราเคยได้ยินแล้ ว, ว่าเราอยู่กับ อ, อุบายแบบไหนก็ควรจะอยู่กับอุบายแบบนั้นใช่ไหมครับแ้วอยู่กับคําบริกรรมแบบไหนแบบไหนที่มันเป็นผลก็อยู่กับมันถ้าไม่เป็นผลก็อย่าไปอยู่กับมัน<ะ>ใช่ไหม ถ, ถ้ามันได้ผลก็เอามัน<ะ>ถ้ามันไม่ได้ผลก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะ<ะ>เปลี่ยนอุบายได้โดยส่วนตัวผมเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าเช่นว่าอยู่กับเหายใจเขา้าพูดนหายใจออกโทรไปนานๆเนี่ยสระพักก็จะ กับเริ่มชินพอเริ่มชินก็คือเราหายใจเข้าพุทธหายใจออกโพก็คือท่องไปไปหัวแล้วก็คิดเรื่องอื่นได้อก็เปลี่ยนมาเป็นพุทโธพุทโธพุโธก็จะจะวนอย่างนี้นครับคือคือพอเริ่มจิตเริ่มชินก็จะรู้สึกว่าเราพุทโธพุทโธไปแต่หัวเราก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างนี้จะเรียกว่าจับจดนะครับหรือว่าเราหือว่ า, าถ้ามันถ้ามันได้ผลก็ไม่จับจดถ้าไม่ได้ผลก็จับจด ลองอันนี่ก็ไม่ได้ผลลองนั่นนั่นก็ไม่ได้ผลเลยไม่รู้ว่าอันไหนได้ผลมันต้องเปลี่ยนด้วยเหตุผลเลยถ้ามันมีเหตุผลให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเหตุผลเพราะว่ า, วามันมันอยากจะเปลี่ยนขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นมันก็จับจุดนะการที่เราคอยเปลี่ยนก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้ามันทํามันมีเหตุมีผลก็ไม่ผิดหรอกถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีผลมันอย่างเงี้ผิดใช่ไมเพรเราต้องการผลไม่ใช่นะ แต่เห็นนี่มันไม่ได้ผลก็ต้องลองอีกเขตหนึงแล้วก็โดยปกติจะมีตัวชี้วัดไหมครับเช่นว่าถ้าเกิดว่าประมันเดือนนึงหรือปีหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ได้ผลไม่ถือว่าควรจะเปลียนนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นวิธีก็อุบายก็ได้มันเป็นเพราะว่าสติเราไม่มีเราก็ต้องส่วนใหญ่แล้วมันผลปัญหตุที่ไม่มีผลก็เพราะสติเรายังไม่ต่อเนื่อง เราฝึกสติไม่บ้าพอวันหนึ่งเราฝึกสติกี่กี่นาทีกี่ชัององ่วโมงมันต้องฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยต้องคุมจิตตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยคุมใช่มพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ปล่อยให้จิตคิดนูน่นคิดนี่ไปเราก็ทำนูน่นทำนี่ไปมันต้องทำพร้อมกันไปเลยเอาจิตมาอยู่กับร่างกายทำะไรกับร่างกายไปคู่คู่กันไปพร้อมกัน แปลงฟันก็แปลงกันใจก็แปลงด้วยฟันร่างกายก็แปลงด้วยไม่ใช่ร่างกายแปลงอยู่ใจไปที่จํล้างงานแล้วไปที่ทํางานแล้วถ้า อ, อย่างนั้นมันก็ไม่มีสติต้องดึงมาให้มันมาอยู่ด้วยกันเขาเรียกกายากตาสติต้องฝึกสติก่อนแปลงฟังนนี่คือเราก็ควรจะรู้สึกมือที่ ก็ให mm ้อ hmm. ย yup ู่ตรงนั้นน่ะไม่ต้องละเอียดอเพียงแต่ให้มันอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องไปละเอียดว่าโอ้ขึ้นเรื่องลงอะไรเงี้ยหนักหรือเบาไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าให้ให้มันอยู่กันที่ดีก็แล้วกันอย่าไปที่อื่นอย่างตอนนี้เราคุยกันนะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องอื่นหรือเปล่าถ้าคิดก็แสดงว่ามัมีสติแล้วกําลังฟังอยู่นี่แต่จะคิดถึงแฟนอย่างนี้ก็ไม่มีสติแล้วแต่ถ้ามีสติมันก็จะฟังเรื่องตลอดเวลา ถ้าพอไปคิดถึงเรื่องอื่นจะเสียงมันจะเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปจะไม่เข้าใจความหมายยางเรียกว่าไม่มีสติยนั่นต้องมีสติอยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโดยที่ไม่คิดเป็นสติแบบไม่คิดด้วยถ้าคิดแล้วมันก็มันก็ไม่สมันก็ไม่นิ่งต้องเป็นสติแบบรู้เฉยเฉยอย่าไปคิดมันแต่ในชีวิตประจําวันในบางอย่างต้องคิดก็ต้องก็ต้องคิดแต่คิดให้มันน้อยที่สุด คิดในเรื่องถ้าที่มันจำเป็นจริงๆถ้ามาบวชแล้วมันจะไม่มีเรื่องให้คิดมากมันจะรู้คิดจะเป็นกิเลสทั้งนั้นนะคิดถึงบ้านคิดถึงอดีตคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาคิดถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนคิดไปหมดคิดอย่างนี้ป่วยการเสียเวลาไม่มีสติมันต้องอยู่กับงานอยู่กับปัจจุบันตอนนี้กาลังกวาดก็กวาดกําลังถูกก็ถูอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียว ให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะได้อยู่กับลมได้อยู่กับพุทธโธได้แล้วมันจะไม่ไปไหนดังนั้นวิธีต่างๆมันไม่มันไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาก็คือตัวสติมันไม่มีจะใช้วิธีไหนมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีน ะ, ะนนพยายามฝึกสติให้มากจะฝึกสติได้มากก็ต้องไปอยู่คนเดียว ถ้าไปอยู่กันหลายคนไปทํางานมันไปปุ๋นเรื่องราวงานการเข้ามามันจะไปไม่คิดได้งเนี้ยมันก็ต้องคิดกลับมาบ้านบางทีเอาเงินเอาแรงงานกลับมาทําที่บ้านเลยคิดอยู่ในใจการทั้งที่ก็ไม่จ่ายเงินเดือนไม่จ่ายโอทีไปยังอามาคิดถึงเรื่องงานอย่างยเพราะมันจิตมันผูกพันไปหมดเนี่ยพอมันติดอะไรแล้วมันจะผูกพันไปเรื่อยๆงั้นชีวิตการทํางานนี่มันมันสวนทางกับชีวิตการภาวนา ต้องปีกวิเวกพุทเจ้าบอกว่าใจต้องสงบได้กายต้องวุ่เวก่อนใจต้องห่างกายจากเรื่องราวต่างๆร่างกายต้องห่างกายจากเหตุการณ์ต่างๆเนีพรถึงต้องไปปีกวิเวกอยู่ในป่าในเขาจะได้ไม่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆการบ้านการเมืองไม่ได้ไปสนใจเลนวะัดป่าบ้านตาสมัยก่อนหนังสือพิมพ์ไม่ให้เข้าไปทีวีไม่ให้เข้าไปโทรศัพท์ไม่ให้เข้าไปไม่ให้รับรู้เลย ให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับทางเดินจงกรอยู่ที่นั่งสมาธิอย่างนี้มันก็จะได้ผลสติมันจะมาเร็วยังไม่ต้องกังวลเรื่องวิธีการต่างๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ตัวสติมากกว่านะพยายามฝึกสติให้มากพยายามดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันย้ายมันคิดถึงอดีตถึงอนาคตให้มันอยู่ในที่นี่เดี๋ยวนี้ อย่าไปที่อื่นอย่าไปเวลาอื่นอยู่ที่นี่เวลานี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ร่างกายอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นเรี่องใจมีสติเรียกว่ากายกตาสติใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ฝึกสติเข้บาบ้านแจกฟรีก็อยากได้ก็ไปเราอย่าไปผูกพันมากถ้าผูกพันเนี่ยก็จ่ายก็กังวลเนี่ยคนที่เอาไปจะไปบูชาไปดูแลรักถูกต้องหรือไม่ มีแค่องค์พระพุทธรูปองค์เดียวไว้สําหรับองอเดียวก็เอาไปแจกที่คนที่เขาอยากได้ดูคนที่เขาชอบเขาเขาเคารพเขารักพระอะไรเงี้ยก็ให้เขาไปคนที่เขาไม่ชอบก็อย่าไปให้เขาคข้อที่สองก็คือช่วงเดือนนี้พี่ลูกสาวให้ให้เดินผมมานะฮะก็จะบอกลูกสาวว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าเงินส่วนที่ให้มานี่ก็คือส่วนนึง ให้ร่วมทาบุญใส่บาตรกับคุณพ่อเนี่ยไม่ราบว่าไม่ต้องเนาะเขาให้เรานี่เขาได้บุญแล้วอ่เนี่ยเขาการให้เนี่ยเป็นการให้บุญไม่ว่าจะให้ไข่กระตายเป็นทานทําบุญอยู่แล้วไม่ต้องบอกให้เขาหรอกการที่เขาให้เราเนี่ยเขาได้ทําบุญแล้วส่วนเราจะไปทําบุญนี่เรามันก็จะเป็นบุญของเราอีกต่อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นดินของเขาแล้วเขาได้แล้วบุญที่เกิดจากการให้เงินของเขานั้นแต่เราจะได้บุญหรือไม่ก็อยู่ที่เราจะเอาไปทําบุญหรือไม เราควรจะบอกว่าโนมุทนาอสาธุว่าลูกเป็นอวา่าลูกเป็นคนดีลูกเป็นคนดีลูกมีความกตัญญูะขอให้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะลูกแล้วชีวิตจะเจริญก้าวหน้าลูกเรืงองย่างนี้ได้แต่ไม่ต้องบอกว่าพ่อจ้างเงินนี้ไปทํานู่นทำนี่หรอกเขาไม่สนใจแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเราแ ล, แล้วเราจะไปทําอะไรก็เรื่องของเรารอย่าไปบอกในวันนี้ก็ไปบอกไปทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบเขา อ, อาจจะเสียใจอาจจะไม่ได้บุญนะ นะฮะเขอยากจะให้เราเดี๋อวพ่อจะเดี๋ยวพ่อจะไปให้คนอื่นต่อเขาก็อาจจะอยากให้พ่อใช้อยากให้พ่อมีความสุขแต่เขาก็ไม่รู้ว่าการให้ของพ่อก็เป็นความสุขแบบหนึ่งก็ได้แต่ไม่ต้องบอกอะเงินที่เขาให้มาเราจะไม่ทําแล้วมันเป็นเรื่องของเรานะนอกจากเขาถามหรือว่าเขามีเงื่อนไขถ้าเป็นเงื่อนไขแล้วก็ตาา้องทําตามเงื่อนไขที่เขาให้มาแต่เรบรับเงื่อนไขไม่ได้ก็อย่าไปรับเงินของเขา ก็ถูกต้องก็ดีแล้วอทางบ้านน้องหนีมยจาทางบ้านไม่ได้าาถามเลยเลขสิบนาทีออาทพอแล้วเนี่ยเดี๋ยว อ, อ่ะก็ะ เรื่องสี่นะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะสมมตินาทางสีตั้งใจจะไม่ทําผิดสีแต่เราทําผิดสีกับการที่เราไมได้ตั้งใจรักษาศีแต่ทําผิดสีนี่บาปเท่ากันไหมเท่ากันบาปเท่ากันเพียงแต่ตั้งใจโอกาสที่จะทําบาปมันน้อยลงพอเราตั้งใจเราก็จะระวังนี่ะไม่ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจแต่เราทําผิดจะบาปกว่าบาปเท่ากั น, กนออ ดันั้นงี่เราก็สมาทานศีไปทุกวันก็ก็ดีกว่าเพราะอย่างนั้นเราจะได้มีความตั้งใจแต่ถ้าตั้งตั้งเราก็ไม่ไม่รักษาก็อย่าไปตั้งมันถ้าตั้งเราต้องรักษาต้องพยายามไม่ใช่ตั้งโกโก้เ้ก็เหมือนก็ไม่ได้ตั้งการตั้งนี้หมายถึงว่าเราเริ่มมีทาสัญญากันล้ววิธีที่จะทำให้เรารักษาสัญญาก็คือต้องลงโทษเเวลาเราทำผิดศีลตัดข่าขนมลงไป วันนี้กินน้อยลงหน่อยซื้อขนมน้อยลงหน่อยตัดอะไรได้ตัดไปต้องมีการลงโทษไม่อย่างนั้นมันก็ไปตั้งมันก็ไปตั้ ง, งทําไมให้เสียเวลามันก็เหมือนกับไม่ได้ตั้งทําผิดแล้วก็ไม่มีโทษตามมาใช่ไมคืออย่งางไรก็รู้สึกว่าพอเราสมาทางผู้ชายน่าจะพยายามระวังครับโดยเฉพาะข้อศีกนี่คุณเล่มพูดอะไรเนี่ยรู้สึกว่าละเอียดถอดมากใช่เ<ต>พราะว่าเราไม่ยเพรเราพลาดเนี่ยเราก็เลยกลัวว่าเออเราไปสมาทานสียจะยิ่งบาก ถ้าเรา ถ, าถ้าเรามีการตั้งใจแล้วมันต้องมีสัจจะความจริงใจตามมาแล้วก็มีความเพียรพยายามที่จะรักษาสัจจะที่เราตั้งไว้อล้วมีความอดทนถึงแม้ ว, ว่าจ ะ, จะไม่ได้ทําแล้วรู้สึกปวดด่านก็ยอมทนเอาเนี่มันต้องมีถึงจะสามารถทําให้เรารักษาศีลได้มันต้องมีความตั้งใจมันถึงจะสามารถพัฒนาไปได้ถ้าไม่มีความตั้งใจมันก็เหมือนเดิมก็ปล่อยปะละเลยไป <c oughs> แล้วถ้ามีการลงโทษด้วยก็ยิ่งดีอ่ะทีถ้าทำผิดศีลันนี้ไม่กินข้าวเย็นหรือกินแกินครึ่งเดียวหรือตัดขนมหมกไปอะไรอย่างนี้มันมีโทษบ้างมันจะได้เข็ดหลาบ <c oughs> แต่ลงโทษคนอื่นนี่ง่ายนะลงโทษตัวเองนี่มันยากนะ <c oughs> เอาว่ามาทางบ้านเลย วันนี้มีคําถามน้อยค่ะอ่าดีถามมาคำถามจากคุณโยค่ะหนูสามารถสวดมนต์ในใจโดยไม่ออกเสียงได้หรือไม่เจ้าคะได้ดีที่การการสวดในใจเป็นการภาวนาเหมือนกับการดูลมเหมือนกับการบริกรรมพุทโธไปใ น, ในในใจเพราะเราไม่ต้องการใช้ร่างกายเวลาเราภาวนาเวลานั่งสมาธิเราต้องการหยุดการทํางานของร่างกายเราไม่ต้องการใช้ใจมาสั่งให้ร่างกายทําอะไร ถ้าร่างกายยังพูดออกเสียงอยู่นิใจ ย, ยังทำงานอยู่ใจก็จะไม่สงบแต่ถ้าใจไม่ไม่พูดเพียงแต่ดูลมเฉยๆแล้วแลหรือคิดไปในใจไม่ต้องใช้ร่างกายแต่มันก็ยังคิดอยู่แต่ไม่คิดในทางที่ทำให้มันสงบ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรส่วนนนทมันจะทำให้ใจสงบไม่ฟุง้งซ่านแต่จะให้สงบเต็มที่นี้ต้องหยุดส่วนแล้วก็ดูลมหายใจต่อ ใจต้องนิ่งต้องดูอะไรต้องเพ่งจดจอ่อดูเฉยๆอยู่กับเรื่องเดียวเหมือนเวลาที่เราจะเอาเข็มเข้าเอาร้อยร้อยได้เข้าดูเข็มเนี่ยใจต้องจดจอ่อไม่ไปคิดถึงอะไรไม่ต้องไปดูอะไระมันนั่งสมาธิก็เหมือนเอาใจเข้าดูเข็มเนี่ยดูสมาธิเอาว่าม า, มาหมดแล้วนะมีข้อเดียวนะ ข้องถามจากคุณนิยมิยมเลี้ยงพ่อแม่อายุแปดสิแล้วค่ะยมอยากให้ท่านฟังทำแต่ท่านไม่ชอบท่านชอบคิดไปในทางลบแล้วถ้ายมพูดในสิ่งที่ถูกก็เหมือนเถียงต่อต้านยมจะเป็นบาปไหมเจ้าคะมีวิธีไหนที่ทำให้ท่านฟังนะทาให้ท่านเข้าใจธรรมะบ้างคะก็มันเป็นเรื่องของท่าน่ะถ้าท่านไม่อยากจะฟังก็อย่าไปฝืนอย่าไปบังคับไม่ได้ผลมัน กานี้ได้ผลดีกับผลเสียตามมาเกิดความไม่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเราก็ไม่พอใจเขาเขาก็ไม่พอใจเราอย่างนอย่าทาดีกว่าทาได้อย่างมากก็คือเอาหนังสือเอาธรรมะวางไว้ใกล้ๆเผื่อเขาไม่รู้จะทำอะไรก็าอาจจะเปิดมาอ่านหรือเปิดฟังดูอันนี้ก็เรื่องของเขา่ารนี้มีเครื่องเล่นเนนพีสามที่มีธรรมะอยู่ก็ไปวางไว้เกิดเวลาอยู่เฉยไม่รู้จะทาอะไรก็าอาจจะเปิดดูก็ได้ ผู้ใหญ่นี้เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากให้เด็กสอนเะฉนั้นเด็กอย่าไปสอนผู้ใหญ่แต่เด็กสามารถาทําให้ผู้ใหญ่เขาเหมือนกับถูกสอนได้เอาธรรมะไปวางไว้อย่างนี้เดี๋ยวเกิดเขาอยากจะฟังเขาก็ฟังเองแต่ถ้าบอกให้ฟังก็จะไม่ฟังเพราะลูกมาบอกพ่อแม่ได้ยังไงใช่ไหมแต่ถ้าลูกเอาธรรมะวางไว้เงี้ยเดี๋ยวเวลาลูกไม่อยู่พ่อก็อาจจะมาเปิดฟังอเอ๊ะเป็นยังไงวะ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อสวดมนต์เป็นประจำติดต่อกันหลายปีตอนนี้จิตมันเบื่อหน่ายมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะกลองใช้พุทโธดือบริกรรมพุทโธพุทโธดือวหมดแล้วละโืยไม่ใช่นั่นก็ไม่ต้องสวดนั่งดูลมหายใจเลย นั่งหลับตาแล้วดูลมหายใจเข้าออกเลถ้าดูลมหายใจได้ก็ไม่ต้องสวดถ้าใจยังคิดอยู่ก็ก็สวดหรือบริกรรมพุโทโธไปให้มันหยุดคิดพอมันหยุดคิดแล้วก็ดูลมหายใจต่อไปอเอางี้ก็หมดแล้วก็เอาแค่นี้แหละนะเพราะใกล้เวลาพอดีก็ขอให้ท่านจะนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิชพิจน า, าไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ